สรุปธรรมะจากรามเกียรติ์เราสรุปหัวข้อที่ชัดเจนได้สี่ข้อ 1. เวรไม่ระ ง, งับเพราะการจองเวร 2. หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี 3. ความรักอันแน่นแฟ้นระหว่างพี่กับน้อง 4. สมาธิตบะฌานญาณต่างๆเราไม่มีศีล เราก็ปฏิบัติได้แต่สมาธิที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องประกรันความปลอดภัยย่อมเป็นพิษภัยต่อสังคมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่พระบางองค์เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาเขียนชื่อขฤรหบดีเศรษฐีแล้วก็ไปคว้านเป็นไส้เทียนเอามาจุดนั่งบริกรรมภาวนาเรียกวิ ญ, ญญาณจิตของท่านผู้นั้นให้มีแนวโน้มมาเกิดความเลื่อมใสจะได้นาวัตถุ ป, ปั จ, จัยมาช่วยบารุงวัดวาเนี่ เวลานี้ยังมีอยู่ในสังคมของพระสงฆ์ขาดหลวงพ่อเองเป็นพระเนี่ยยังถูกเขากระทำพระด้วยกันเนี่ยเอาขี้พึ่งมาปั้นหุ่นเขียนชื่อหลวงพ่อติดเอาไว้แล้วเอาเข็มเสียบตรงหัวใจลงผลสุดท้ายผู้ทาจะตายเสยเองเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าหนังสือแผ่นพาพนี่ คือบทสวดมนต์เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและแผ่เมตตาถ้าใครยึดมั่นถือมั่นจริงๆแล้วป้องกันภัยได้ทุกอย่างคุณคมคุณใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาพรมวิหาร